ธาตุวิพังคสูตรน่นนะในมาเิมนิกายอุปริปันธาตุในธาตุวิพังคสูตรนั้นถ้าโดยศัพท์แปลว่าการจําแนกธาตุโดยพิสดารวิพังก็แปลว่าการจําแนกธาตุวิพังแปลว่าจําแนกธาตุก็คือจําแนกธาตุจาแนกธาตุโดยปริยายต่างๆซึ่งธาตุวิพังคสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมให้ปกติสาติกุลบุตรฟัง นั่นแหละเคยประวัติเรื่องราวของท่านพระปรุ ก, กุสาติมีอยู่ว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่เสวยราชสมบัติในพระนครราชครือในมัชชีมประเทศนั่นแหละเมืองราชครืกอกันเนะเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบอ่ะพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นใหญ่พระเจ้าปุกุสาตินี่เสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครตักกสิลาในปัจจันต์ตประเทศ <reet. S 1> ๆๆอ่า เท่าหลายๆท่านก็บอกว่าเมืองตักกิลานั้นตอนนี้อยู่ประเทศปากีสถานน่นะอยู่แถวแถวประเทศปากีสถานพันจากราชครก่ไปกับปากีสถานนี่ก็ร้อยก้าสิบประโยชน์อ น, นคูณ16กิโลเมตรเท่าไหรน่น่นก็ร่วมเป็น0ันกิโลมันนั่งเครื่องบินหลายชั่วโมงเหมือนกันถ้าจะถึง ทนี้การที่พระราชาสมัยโบราณเนี่ ย, ยจะคุ้นเคยการจะรู้จักกันก็อาศัยพ่อค้า น, นะพ่อค้าก็เป็นทูตให้ที่กล่าวว่าพ่อค้าทั้งหลายต่างก็เอาสินค้าจากพระนครตักกศิลามาสู่พระนครราชครก่อนำบรรณาการไปถวายแก่พระราชาพระเจ้าพิมพิสารก็เลยถามพ่อค้าเหล่านั้นผู้ยืนถวายบังคมว่าพวกท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนพ่อค้าก็บอกว่าอยู่พระนครตักกศิลา พระราชาก็ถามถึงความเกษมความที่พิกษาหาได้ง่ายเป็นต้นของชนบทก็สอบถามเกี่ยวกับประวัติเมืองตักศิลาความเป็นไปเป็นมาความดํารงอยู่การครองชีพเขาครองชีพเป็นอย่างไร น, นีแล้วก็ประวัติพระนครกับพ่อค้าเหล่านั้นนี่ก็ถามถึงว่าพระราชาของท่านมีชื่อว่าอะไรพระราชาเมืองตักศิลาเนี่ยนะชื่ออะไรพ่อค้าก็บอกว่าพระเจ้าปุกกุศาติพระพุทธเจ้าข้า พระเจ้าพิมพ์พิสารก็ว่าพระราชาของท่านนี้ดํารงอยู่ในธรรมหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าพระเจ้าปกกุสาตินี้ดํารงอยู่ในธรรมทรงสงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหาวตถุศประการเนี่ยนะคือทานปิยาวาจาอัตเจริยาและก็สมานตาตาเนี่ยนะทรงดํารงอยู่ในฐานะเป็นมารดาบิดาของโลกทรงยังชนดุจทารกในอนอนบนตักให้ยินดี เป็นพระราชาที่ปกครองบ้านเมืองอยู่ในธรรมประชาชนที่เมื่อแควนตักกริลาเนี่ยก็อยู่กันสงบร่มเย็นเหมือนพ่ออยู่ในอ้อมอก เ, ออเหมือนลูกที่อยู่ในอ้อมอกของพ่อฉะนั้นมือนกนทีนี้ก็สอบถามถึงอายุเนี่ยนะว่าพระเจ้าปุ ก, กุสาตินี่มีอายุเท่าไหร่สอบถามก็ได้ว่าอายุเท่ากันกับพระเจ้าพิมพิสารครั้งนั้นพระราชาก็เลยพระเจ้าพิมพิสารก็ถามพ่อค้าเหล่านั้นว่า ดูก่อนพ่อทั้งหลายพระราชาของพวกท่านดำรงอยู่ในธรรมแล้วก็มีอายุเท่ากันกับเราพวกท่านอาจทำเพื่ออาจทำพระราชาของพวกท่านให้เป็นเพื่อนกับเราได้หรื อ, อสมัยสมัยก่อนเขามีแบบอะไรนะเพื่อนต่างหน้ากันในชะ่เพื่อนไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ว่ารักกันเสมอด้วยชีวิตอย่างเงี้ย น, นะโบราณ น, นี่เขาเป็นแบบนั้นสมัยใหม่อาจจะไม่มีแล้วละ่ะแต่ว่าสมัยก่อนนี่เขามีนะี่เรียกว่าเพื่อนที่ เขารู้ว่าอยู่บ้านโน้นแต่ว่ารักกันทั้งยังไม่เคยเห็นกันนั่นแหละแต่ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันผูกพันกันอะไรนะาเศไทยเขาเรียกอะไรนะกเลอเหรอเป็นกะเลอกันเป็นอะไรกันอันนี้เรียกว่าเป็นมิตรทีนี้พ่อค้าก็รับว่าจะขอเป็นทูตเนี่ยนะจะได้เป็นมิตรกันกับพระราชาทั้งสองฝ่ายพระราชาก็ดีใจใช่ก็เลยลดภาษีให้ทั้งหมดเลยนะพระพวกพ่อค้าที่มาจากเมือง ตากกิสลาเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็ยังให้เรือนรับรองอีกเนี่ยนะให้จับที่พักให้เบ็ดเสร็จหมดไม่ต้องไปเช่าโรงแรมนี่ก็บอกว่าพวกท่านประสงค์ในเวลาขายสินค้ากลับไปพวกท่านก็พบเราแล้วค่อยกลับสั่งอีกว่าถ้าท่านจะกลับไปนะกล้องมาบอกเราด้วยพ่อค้าเหล่านั้นทําอย่างนั้นตอนจะกลับก็เข้าไปเฝ้าพระราชาพระราชาก็ตรัสว่าพวกท่านจงกลับไปพวกท่านจงทูล ถ, ถามถึงความไม่มีโรคบ่อยๆ ตามคำของเราแล้วก็ทูลว่าพระราชาของพวกท่านประสงค์มิตรภาพกับพระองค์นะคือพระราชาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยประสงค์จะเป็นเพื่อนกับพระเจ้าปุกุสาติพ่อค้าเหล่านั้นก็กลับไปรวบรวมสินค้ารับประทานอาหารเชา้าไปถวายบังคมพระราชาก็คือกลับไปเฝ้าพระเจ้าปุกุสาติพระเจ้าปุกุสสาติก็ถามว่าพวกท่านไปไหนไม่เห็นมาหลายวันแล้วพ่อค้าก็บอกว่าอ่นะก็กราบทูลเรื่องเราทั้งหมดให้ฟัง พระราชาก็มีใจยินดีบอกว่าพ่อค้าทั้งหลายเป็นการดีเช่นกับเราพระราชาในมัชชิมประเทศได้ได้มิตรแล้วเพราะอาศัยพวกท่านก็คือดีใจมากเลยนะที่ที่ได้เป็นเพื่อนกับพระเจ้าพิมพิสารานะเพราะว่าถือว่าในมัชชิมะชนบทนี้เป็นเป็นสถานที่ที่เจริญเนี่ยนะแต่แบบไทยเราก็เหมือนกับมีเพื่อนอยู่ที่ภาคกลางลนะก็เลยดีใจ สมัยต่อมาพ่อค้าทั้งหลายแม้อยู่ในพระนครราชเครือ ก, ก็ไปพระนครตักศิลายกสินค้าไปจากเมืองนี่ไปขายเมืองนูน่นพระเจ้าปุกุศาติก็ถามพ่อค้าเหล่านั้นผู้ถือบรรณัการมากล่าวว่าพวกท่านมาจากไหนก็พ่อค้าบอกว่ามาจากพระนครของพระสหายของของพระองค์ะนะก็คือมาจากราชครือพระราชาก็ดีใจว่าก็สอบถามว่าเอาเพื่อนเราเป็นยังไงบ้าง นะไม่มีพระโรคหรือเนี่ยนะสายของเราไม่ป่วยไม่ไข้แล้วก็ประกาศให้ตีกลองประกาศว่าจําเดิมแต่วันนี้พวกพ่อค้าเดินเท้าหรือพวกเวียนเหล่าใดมาจากพระนครของพระสายเราจําเดิมแต่การที่พ่อค้าทั้งปวงเข้ามาสู่เขตแดนของเราจงให้เรือนเป็นที่พักอาศัยและสเสบียงจากพระคลังหลวงจงสละภาษีอย่าทําอันตรายใดๆแก่พ่อค้าเหล่านั้นดังนี้ โอมีสิทธิ์ที่พิเศษเยอะเลยนะพระราชาเป็นพวกกันอย่างเดียวเนี่ยพ่อค้าสบายเลยนะพระราชาจากราชครึกไปตักกศิลาก็สบายพระราพ่อค้าจากตากักกศิลาไปราชครึกก็สบายพระเจ้าพิมพิสารก็ทําเหมือนกันนะก็ตีกลองประกาศว่าไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็ต้องจัดที่พักให้ด้วย ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงบรัญรการแก่พระเจ้าปกุศสติว่ารัตนะทั้งหลายมีแก้วมณีและมุกดาเป็นต้นย่อมเกิดในปัจจันตะประเทศรัตนะใดที่ควรเห็นควรฟังเกิดขึ้นในราชสมบัติแห่งพระสหายของเราขอพระสหายของเราจงอย่าตณีในรัตนะนั้นนะคือถ้ามีของดีๆของประเสริฐของวิเศษของหน้าพบน่าเห็นหน้าฟังเนี่ยนะเกิดในบ้านเมืองของท่าน อยากขี้เนียวนะแบ่งกันบ้างเน้อนะแจกแจกกันดูบ้างเหมืนฝ่ายพระเจ้าปุกุสาติก็ตอบไปว่าธรรมดามัชชิมประเทศนี้เป็นมหาชนบท ร, รัตนะเห็นปานนี้ใดย่อมเกิดในมหาชนบทนั้นขอพระสหายของเราจงอย่าทรงตนีในรัตนะเหล่านั้นสรุปว่ามีของดีก็อย่าตนีกันนะจะส่งส่งกันบ้างเมื่อการล่วงไปเนี่ยนะวันเวลาก็ผ่านไป พระราชาก็ไม่เคยเห็นกันแต่ว่าเป็นมิตรกันะนะก็เพราะมีของบรรณาการพ่อค้าฝังนี้เอาไปฝากฝังโน่นฝังโน่นเอามาฝากฝังนี้ก็เลยเป็นเพื่อนสนิทกันมากบรรณาการนี่ก็เกิดขึ้นแก่พระเจ้าปกุติก่อนได้ยินว่าพระราชาเนี่ยได้ผ้ากำลพลแปดผืนอันค่าหาค่าไม่ได้มีห้าสีคำว่าผ้ากำพลนี่แปลว่าผ้าขนสัตว์เนี่ยนะกำพลนี่เป็นผ้าขนสัตว์มีสีห้าสีสวยมาก พระราชาก็เลยคิดว่าผ้ากำพลเหล่านี้งามอย่างยิ่งเราจะส่งไปให้พระสหายของเราส่งส่งอมาตย์ทั้งหลายด้วยพระดารัสว่าพวกท่านจงให้ทำพรออบแข็งแรงเนี่ยแปพระอบเท่านะเท่าก้อนครั่งใส่ผ้ากำพลเหล่านั้นในพ่ออบเหล่านั้นแล้วก็ให้ประทับด้วยครั่งพันด้วยผ้าขาวใสไปในหีบพระอนะแล้วก็พันด้วยผ้าประทับด้วย ตราพระราชลัญชกรและก็ถวายพระสาหายของเราก็คือสั่งให้ให้ปิดบรรจุพระอบอย่างดีเนี่ยนะแล้วก็ได้พระราชทานพระราชสารว่าบรรณการอันนี้อันเราผู้อมาตย์เป็นต้นแวดล้อมแล้วเห็นในถ้ำกลางพระนครหมายคําว่าถ้าจะเปิดดูไอ้บรญการอันนี้นะต้องเปิดดูกลางเมืองอย่างเดียวให้ประชุมข้าราชการให้หมดแล้วค่อยเปิดดูเครื่องบรณการอันนี้ พระเจ้าพิมพิสารพอสดับพระราชสารก็ให้ตีกลองประกาศว่าชนทั้งหลายมีอํามาตย์เป็นต้นจงประชุมกันอํามาตย์เป็นต้นก็แวดล้อมในท่ามกลางพระนครทรงมีพระสเสวิตฉชัดกั้นประทับนั่งบนพระราชบัลังอันประเสริฐทรงทําลายรอยประทับเปิดผ้าออกเปิดพระอบแก้ไปภายในก็เห็นก้อนครั้งก้อนแดงๆอะนะก้อนครั่งโอ้ยน่าอายน่ะนึงพระราชาก็เลยคิดว่าพระเจ้าปุ ก, กุสาติพระสหายของเราคงสําคัญว่า พระสหายของเรานี่มีพระ ห, หาฤทัยรุ่งเรืองจึงส่งพระราชบัญาการนี้ไปให้อนะก็คิดว่าสงสัยพระราชาเมืองโน้นเนี่ยคิดเล่นมากเลยนะก็หาก้อนเด็กก้อนครั้งนะสมัยก่อนมันของเด็กเล่นนะไอ้ก้อนข้างเนี่ยพวกเด็กๆ ก, ก็เอาพวกก้อนข้างเนี่ยมาเล่นกันไหยถ้าสมัยนี้ก็เหมือนเอาดินน้ํามันอ่ะส่งดินน้ํามันไปให้อนะเปิดดูก็เห็นดินน้ํามันนะอ่ะนะว้ามันว่างขนาดนี้เลยรหรือไงส่งดินน้ํามันมาให้กันดูเนี่ยนะก็เลยดำริคิดอย่างงี้ สงสัยมีโทสะหน่อยนะก็เลยจับก้อนอันหนึ่งแล้วก็ทุบด้วยมือเนี่ยก็ไม่ทรงทราบ ว, ว่าข้างในนี่มีผ้านะจับมาเล่นโทสะนะก็เลยทุบเข้าไปลําดับนั้นก็ตีก้อนนั้นอะ่ะที่เชิงพระราชบาลังข้างก็เลยแตกออกพระองค์ก็ทรงเปิดพระอบด้วยพระนาขาพ ร, พระอบเล็บนะใช้เล็บเนี่ยแกะออกเห็นกรรมลรัตนาภายในแล้วก็ให้เปิดพระอบทั้งหลายแม่นอกนี้ แม้ทั้งหมดก็เป็นผ้ากำพลลำดับนั้นพระองค์ก็ทรงให้คลี่ผ้ากำพลเหล่านั้นผ้ากำพลเหล่านั้นถึงพร้อมด้วยสีถึงพร้อมด้วยผัสสะเรียกว่าสีก็สวยเนื้อก็ดียาว16ศอกกว้าง8ศอกมหาชนทั้งหลายเห็นแล้วก็กระดิกนิ้วทําการยกผ้าเล็กๆขึ้น น, นะพากันดีใจว่าพระเจ้าประ ก, กุศาติพระสหายไม่เคยพบเห็นของพระราชาแห่งพวกเราไม่ทรงเห็นกันเลยแต่ก็ยังทรง พระราชบัญการเห็นปานี้สมควรแท้เพื่อทำพระราชาเห็นปานั้นให้เป็นมิตรเนี่ยนะโอ้ดีเหลือเกินนะถ้าได้เพื่อนขนาดนี้นะขนาดยังไม่เคยเห็นหน้ากันนะส่งของมีค่าขนาดนี้มาให้พระราชาก็ให้ตีราคาผ้ากาพลแต่ละผืนผ้ากาพลทุกผืนหาค่าไม่ได้เนี่ยนะแสดงว่าแพงมากเลยนะสมัยนั้นของเรานะ่ผ้ามีไม่ราคาขนาดนี้นะผ้าหาค่าไม่ได้ยุคนี้มีม คงไม่มีนะยุคนี้ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับผ้าสักเท่าไหร่เว้นแต่ผ้าที่มีเครื่องประดับเต็มไปหมดนะในผ้ากําพล8ปผืนนั้นพระราชาก็เลยถวาย4ผืนแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระโสดาบันก็ยังไงก็ใจก็น้อมไปหาพระตนะตรัยใช่ไหมมีอะไรก็ระ ล, ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอีกสผืนก็เอาไวาใ้ใช้ในเอาไว้ใช้ในพระราชวัง จากนั้นมาพระราชาก็คิดว่าการที่เราเนี่ยเมื่อจะส่งภายหลังก็ควรส่งบรัรณาการที่ดีกว่าบรัรณาการที่ส่งแล้วก่อนส่งที่หลังก็ต้องดีกว่าคนก่อนให้มาใช่ไหมก็เลยพระสหายก็ส่งบรัรณาการอันหาค่าไม่ได้อหาค่าไม่ได้ให้แกเราเราจะส่งอะไรดีหนอก็บอกว่าก็ในกรุงราชจะครึกไม่มีวัตถุที่ดียิ่งกว่านั้นหรือแต่บอกว่าไม่มีก็หาไม่ได้ พระราชาในทรงมีบุญมากอีกประการหนึ่งจำเดิมแต่กาละที่พระองค์ทรงเป็นพระโสดาบันแล้วเว้นจากพระรัตนตรยัยไม่มีสิ่งอื่นใดชื่อว่าสามารถเพื่อจะยังพระโสมนัสให้เกิดขึ้นได้เว้นพระพุพะทธรธรรมพระสงฆ์ซะไม่มีอะไรเป็นอารามนาที่ปฏิของท่านเลยเนี่ยนะไม่มีอะไรมันจะน่ายินดีสักอย่างนะเว้นจากพระรัตนตรัยนันะก็อาจจะพูดแบบหลายๆท่านในโลกนี้ผมไม่เห็นอะไรมันน่ายินดีสักอย่างเลยเขาว่ากัน าบางท่านก็อาจจะคิดแบบนี้นอกจากพรตันตรนะไตรนะบางคนนี่มีจิตโสมนัสมากพระองค์ก็เลยปรารบเพื่อจะทรงเลือกรัตนะรัตนะนี้ก็โดยความหมายก็คือสิ่งที่หาค่าไม่ได้สิ่งที่หาค่าไม่ได้ช่างไม่ได้มีคุณอันประเสริฐพบเห็นได้ยากคนตามซามไม่มีสิทธิใช้สอยเนี่ยนะอันนี้ความหมายของรัตนะทีนี้รัตนะเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภท คือชนิดมีวิญญาณกับไม่มีวิญญาณแปลว่าสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเนี่ยนะรัตนะที่ไม่มีชีวิตก็พวกทองพวกเงินเป็นต้นที่มีชีวิตก็เกี่ยวเนื่องกับอินทรีย์ถ้าเป็นโบราณก็ช้างแก้วม้าแก้วพวกนี้นะเรียกว่าสิ่งที่มีชีวิตนะรัตนะที่ไม่มีวิญญาณนี่ก็เป็นเครื่องใช้เครื่องประดับของรัตนะที่มีวิญญาณในรัตนะ2ออย่างเนี่ยนะรัตนะที่มีวิญญาณประเสริฐที่สุด รัตนะที่มีวิญญาณก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือเดรฉานรัตนะกับมนุษย์รัตนะเดรฉานรัตนะก็คือพวกช้างพวกม้าดังกล่าวไปถ้าเป็นมนุษย์รัตนะก็เป็นอะไรเช่นอิทธิรัตนะหรือพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายพวกนี้ก็เป็นเรียกว่ารัตนะมนุษย์รัตนะนี่ประเสริฐกว่าเดรฉานรัตนะมนุษย์รัตนะก็แบ่งเป็น2คือที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงอิทธิรัตนะปุริสารรัตนะเนี่ยนะ ในบรรดาผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงก็ถือว่าเป็นเป็นของอุปโภคของผู้ชายบางเงี้ยแทนเป็นเครื่องใช้สอยของผู้ชายบางเง้ยมันก็มันปุริสารัตน์เนี่ยนะบุรุษก็ถือว่าประเสริฐกว่าผู้หญิงทีนี้ในบรรดาผู้ชายเนี่ยนะผู้ชายนั้นท่านถือว่าแบบอยู่ครองเรือนกับไม่ครองเรือนผู้ที่ไม่ครองเรือนประเสริฐกว่าผู้ครองเรือน เพราะว่าผู้ครองเรือนแม้กระทั่งเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังกราบไหว้สัมมาเนนที่บวชในวันนั้นอย่างพระเจ้าอโศกนี่ก็กราบไหว้สัมมาเนนใช่ไหมพระเจ้าอโศกนี่ถือว่าเป็นจกักรพรรดินะก็ยังกราบไหว้นิโคร ส, สัมมาเนนเพราะฉะนั้นผู้เป็นนักบวชอนาคาริกเนี่ยเป็นรัตนะที่ประเสริฐกว่าพระเจ้าจากักรพรรดิทีนี้ในบรรดานักบวชนี่ก็แบ่งเป็น2กลุ่มคือที่เป็นเสขะกับอเสขะ อนะันนัเสกขาก็คือยังศึกษาในตรศึกยังศึกษาในตรายสิกขากับศึกษาจบแล้วผู้ที่ศึกษาจบแล้วคือพระอรหันเนี่ยประเสริฐที่สุดทีนี้ในบรรดาพระอรหันเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือที่เป็นสาวกกับผู้ที่ตรัสรู้เองอนนั้นบรรดาผู้ที่เป็นสาวกกับตรัสรู้เองเนี่ยท่านถือว่าผู้ที่ตรัสรู้เองประเสริฐที่สุดคือสาวกแม้เป็นหมื่นเป็นแสนก็โซ่พระประเจกไม่ได้ยังไงนะ ในบรรดาพุทธรัตนะเนี่ยนะที่ตรัสรู้เองก็แบ่งเป็นสองประเภทคือเป็นพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเพรา ะ, ะนั้นพระปัจเจกแม้ตั้งแสนก็ไม่ถึงส่วนแห่งพระสัพพันญูเอาพระปัจเจกกับพุทธเจ้ามานั่งเรียงเป็นแสนองค์ก็ไม่ถึงพระพุทธเจ้าเพรา ะ, ะนั้นในรัตนะสองอย่างนั้นพระสัพพันญูพุทธสัพพันญูพุทธรัตน์เท่านั้นประเสริฐที่สุดด้วยประการชนี ก็ขึ้นเชื่อว่ารัตนะที่เสมอด้วยพระพุทธรัตนะย่อมไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็ลองไล่ดูนะว่าสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเนี่ยของมีชีวิตมีค่ามากที่สุดใช่ไหมถ้าเทียบกับไม่มีชีวิตทีนี้สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็แบบมนุษย์กับเดรัชานมนุษย์ก็มีค่ากว่าทีนี้ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงก็ถือว่าผู้ชายมีค่ามากกว่าทีนี้ในบรรดาผู้ชายเนี่ยนะที่มีค่ามากกว่าเนี่ย ก็แบ่งเป็นนักบวชกับไม่ได้บวชก็ถือว่าบวชมีค่ามากกว่าในบรรดาบวชมาแล้วก็เป็นเสขะกับอาเสขะเป็นอาเสขะมีค่ากว่าในบรรดาอาเสขะด้วยกันนะผู้ที่ตรัสรู้เองประเสริฐกว่าสาวกผู้ที่ตรัสรู้เองก็แบ่งออกเป็นสองประเภทใช่ไหมคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดพรันพระองค์นี้ประเสริฐไม่มีบุคคลเสมอในโลกพร้อมทั้งเทวโลก